บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปอนุสติข้อที่เรียกว่าพุทธานุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อก่อให้เกิดความสงบเพื่อเสริมสร้าง ศรทธาภาษาตะให้สูงขึ้นและเพื่อปฏิบัติตนให้ได้สัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อต่อไปนั้นคือพระพุทธคุณบทว่าสุเโตที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคำว่าเสด็จไปดีแล้วนั้นหมายถึงว่าพระองค์ได้เสด็จไปบนเส้นทาง หรือปฏิปทาอันดีจนสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กุลูลแก่พระองค์โดยสมบูรณ์และแก่บุคคลอื่นโดยสมบูรณ์จริยาคือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งไว้เป็นสางช่วงด้วยกันเรียกว่าเรื่องที่ไกลๆและเรื่องใกล้ คือเรื่องไม่ไกลามากนักกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันเรื่องที่ไกลนั้นท่านได้แสดงว่าผู้ที่จะบำเพ็ญบรารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีปณิธานเกิดขึ้นภายในใจระยะเวลาหนึ่งผ่านภพชาติมาเป็นนั่นมากต่อมาจะต้องเปล่งวาจาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าและรักษาเจ็ดจำนงเหล่านั้นเอาไว้ได้ ผ่านภพชาติต่างๆเป็นอันมากเช่นเดียวกันต่อแต่นั้นเมื่อคุณธรรม8ประการที่เรียกว่าธรรมสมุทานคือการประชุมพร้อมแห่งธรรมหรือคุณสมบัติ8ประการบังเกิดขึ้นท่านก็จะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองคหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นเริ่มตั้งความปรารถนา เป็นหลักเป็นฐานในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามวธีปังกรพุทธเจ้าในสมัยนั้นท่านสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติแปดประการคือได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นบุรุษเพศถึงพร้อมด้วยเหตุหมายถึงว่าอุปนิสัยบารมีแก่กล้าพอที่จะออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญเพียรบรรลุอรหัต เป็นพระอาหารหันได้แต่เนื่องจากมีความกรุณาในหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นกำลังจึงต้องการจะทำพระองค์ให้เป็นประโยชน์คือคุลแก่โลกให้ามากที่สุดจึงสละฐานะที่ควรจะได้จะเป็นในภพชาติเหล่านั้นเสียตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและจะต้องอยู่ในเพศของนักบวช ประกอบด้วยคุณสมบัติชั้นของสมาธิอย่างน้อยก็ต้องได้รูปประจนไดารูป ป, ประจานได้พบเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งตั้งความปรารถนาและได้รับคำพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นส่วนข้อที่7กับข้อที่8ซึ่งถือว่าสำคัญมากก็คือว่าจะต้องมีฉันทะตาสมบัติ คือมีความพอใจในพระสัพพัญญุตยานอย่างยิ่งและมีอธิการสมบัติคือมีกา ร, รกระทําอะไรก็ตามถ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งพระสัพพัญญุตยานแล้วก็วพร้อมที่จะทําพร้อมที่จะเสียสละแม้ชีวิตของตนเองคุณสมบัติเหล่านี้มีพร้อมในองค์พระโพธิสัตว์สมัยที่ เกิดเป็นสุมเมธดาบทต่อแต่นั้นก็ทรงดำเนินมาในปฏิปทาอันดีตามจริยาข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายคือการสร้างสมอบรมบา ร, รมีได้แก่การค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความดีมีลักษณะต่างๆที่เรียกกันว่าบา ร, รมีสิบทั์และในบา ร, รมีแต่ละข้อนั้น ทำได้ทั้งในชั้นปกติธรรมดาชั้นกลางและชั้นที่ประณีตที่สุดท่านจึงจัดออกเป็นบา ร, รมีอุปบา ร, รมีและประมาทบา ร, รมีในชั้นของบา ร, รมีนั้นยกตัวอย่างเช่นการให้ทานซึ่งเป็นส่วนของทานบ ร, รมีตแต่แก่การให้วัตถุสิ่งของตามปกติธรรมดาทั่วไปในชั้นของปรมาทบา ร, รมี ในชั้นของอุปบารมีสามารถเสียสละแม้อวัยวะร่างกายดวงตาโลหิตเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเกิดบุคคลอื่นในชั้นของปรมัตถบารมีสามารถสละได้แม้ชีวิตของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาธรรมะเอาไว้บารมีที่ทรงบำเพ็ญ น, นั้นคือทานบารมีการบริจาคทานศีลบารมีการรักษาศีลเนคขมะบารมี การงดเว้นจากการปัญญาบา ร, รมีคือการเสริมสร้างปัญญาและการใช้ปัญญาบา ร, รมีทั้ง4ประการนี้ท่านถือว่าเป็นบารมีหลักซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญในภพชาติต่างๆเป็นหลักไว้ส่วนสัจจะบา ร, รมีขันติบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีอุบเบกขาบารมีเหล่านั้นถือว่าเป็นบา ร, รมีที่ เป็นอุปการะการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นในชาติใดที่บา ร, รมีใดเด่นเราเรียกชาตินั้นว่าทรงบำเพ็ญบา ร, รมีเหล่านั้นเช่นในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเน้นหนักไปในเรื่องของทานมากก็ถือว่าบำเพ็ญฐานบา ร, รมีแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วบา ร, รมีทุกข้อก็ได้ทรงบำเพ็ญในพระชาตินั้นๆันลดหลั่นกันลงมา และเรื่องการสร้างบา ร, รมีนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านเรียกว่าบา ร, รมีเต็มการสร้างบา ร, รมีจนถึงบา ร, รมีเต็มเปี่ยมขึ้นมานั้นพระโบราณอาจารย์ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าไว้ด้วยบทที่สวดกันแพร่หลายทั้งชาวบ้านและชาววัดว่ามหากาลุณิโกนาโถอัธยาสสะปปานินัง ปูเรตวาปารมีสปาปัตโตสัมโบติมุตมะเอเตนสัจวัดเชนะมาโคนตุสะปูปัตตวะซึ่งแปลเป็นใจความว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกได้ทรงบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์แล้วได้สัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ด้วยอำนาจสัจจวาจานีขออันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านอันเป็นการบ่งชี้เห็นว่าการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์นั้นมีเจตจํานงอยู่ที่สแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์และแก่โลกเพื่อนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไปอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พระองค์ และชาโลกการจะตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเกือ้อกูลได้หรือไม่ก็ต้องอาศัยว่าเมื่อบุคคลละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญอย่างที่ทรงสั่งสอนไปแล้วอำนนยความสุขให้หรือไม่เวลาสวดท่านจึงใช้คําในแนวเดียวกันนั่นเองแต่ว่าข้อแรกใช้คํว่าเพื่อประโยชน์ข้อที่สองใช้คาว่าเพื่อเกื้อกูล ข้อที่สใช้คำว่าเพื่อความสุขแก่สัตว์มีปรานทั้งหลายและหลังจากได้อุบัติบังเกิดในราชกุลสักยะถือว่าเป็นเรื่องปัจจุบันที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญบา ร, รมีมาในลักษณะต่างๆจนในที่สุดได้ตัดสินพระทัยออกผนวดอย่างที่ทราบกันในเรื่องราวพุทธประวัติ เช่นว่าในชั้นแรกการเสด็จดำเนินไปตามหลักการประพฤติปฏิบัติมีความสับสนซึ่งไม่ถือว่าเป็นทางดำเนินที่ดีสำหรับพระองค์ <c oughs> เพราะทำให้ทรงหลงทางอยู่ใ น, <c oughs> ในการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นเวลาถึงหกปีแต่เมื่อได้เสด็จพุทธดำเนินไปตามหลักของมัททิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางแล้ว ก็ได้จัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระผู้มีพระภาคยา้าเมื่อสรุปทางดําเนินที่ควรศึกษาควรพิจารณาโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นสามทางด้วยกัน่างแรกได้แก่ข้อประพฤติปฏิบัติที่ย่อหย่อนจนเกินไปขาดความพอใจในเรื่องนั้นขาดความเพียรพยายามในเรื่องนั้นไม่มีการเอาใจใส่อย่างจริงจังจ ที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากกำนาของกิเลสไปได้ไม่มีการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาหาเหตุผลในหลักการที่ตนกำลังดำเนิน จ, จุกข้อประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ทรงปฏิเสธไว้ในตอนต้นตั้งแต่ปฐมเทสนาเรียกว่ากามาสุ ข, ขันิการโยก ค, คือการประกอบตนให้เกี่ยวข้องผัวพันหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในโลกีอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นลักษณะ ของการมัวเมาประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคของตนอีกสายหนึ่งคือการทรมานตนให้ได้รับความลำบากทุกทรมานด้วยประการต่างๆโดยความเข้าใจว่าถ้าร่างกายกระสรับกระสายเดือดร้อนแล้วจิตก็จะมีความสงบวิธีการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงปฏิบัติดำเนินมาด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงแยกแยะได้อย่างเด่นชัดว่ากายกับจิตนั้นมีความเกี่ยวข้องถึงกันอยู่ในขณะใดที่กายกระสับกระสายจิตจะสงบไปได้เพราะฉะนั้นร่างกายจำเป็นจะต้องบำรุงรักษาไว้เพื่อเป็นฐานที่จะให้เกิดจิตใจสงบแต่ไม่ใช่บำรุงรักษามากจนเกิดไปการบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายในริยะวินยัย ในพระศาสนานี้ท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่มีแผลจำต้องเยียวยารักษาแผลนั้นให้หายทนุทนอมแผลนั้นเพื่อห้แผลนั้นหายโดยปกติแล้วสามารถใช้อวัยวะร่างกายที่เคยมีแผลอยู่ทํางานที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นทางที่ตึงเกินไป เป็นการทรมานสร้างความทุกข์ความลำบากให้เกิดขึ้นแก่ตนนั้นทรงชี้ถึงผลเสียเอาไว้3ประการด้วยกันประการแรกคือก่อให้เกิดความทุกข์ประการที่2เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ประเสริฐและไม่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติให้กลายเป็นผู้ประเสริฐไปได้ประการที่3ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่น ส่วนทางที่หย่อนเกินไปก็ทรงแสดงไว้โดยทานองคล้ายๆกัดแต่เป็นเรื่องของการปล่อยกายปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามอํานาจของสั ญ, สญชาตญาณและตามกระแสของโลกไม่เพียรพยายามเพื่อจะทวนกระแสโลกขึ้นมาทวนกระแสกิเลส ข, ขึ้นมาลักษณะของใจที่ไหลไปโดยทานองนี้ จึงเป็นเหมือนกับท่อนไม้ที่ถูกโยนลงไปในกระแสน้าแล้วแต่กระแสน้าจะพัดพาผ่านไปบางครั้งก็อาจจะไปติดไปค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งและเมื่อกระแสน้ำพัดมาอีกก็อาจจะหมุนวนไปและในที่สุดก็ปูกเปื่อยอยู่ในกระแสน้ำนั่นเองชีวิตของบุคคลทั้งหลายที่ได้ดบัตบังเกิดมาในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าหากว่าดาเนินไปในทางที่ ย้อนเกินไปวิถีชีวิตของบุคคลก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาข้าวหน้าไปในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแต่พระพระบุมีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินไปในทางที่เป็นสายกลางซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเมื่อพระองค์ได้ดำเนินไปตามเส้นทางที่เป็นสายกลางอันได้ชื่อว่ามัชิ ม, ชมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง ไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปนั้นสามารถทำจักขุคือดวงตายานความรู้ให้บังเกิดขึ้นพระทัยของพระองค์มีความสงบระงับเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายขึ้นและได้บรรลุนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาปฏิปทาทั้งสองช่วงนี้ เป็นการเชียเห็นว่าพระผู้มีพระภาคพระโพธิสัตว์และพระผู้มีพระภาคแกนั้นได้เสด็จดำเนินมาบนเส้นทางอันดีที่มีลักษณะไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนและไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนในช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่ทรงดำรงพระชนมอยู่ พระองค์ทรงดำเนินไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดโดยยึดหลักของจริยาสามประการประการแรกเรียกว่าโลกั ธ, ธิจริยาในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆชี้แจงแสดงแนะนำพร่ำสอนประชาชนผู้ ไม่รู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมสามารถทายถอนตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์บรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนตามสมควรแก่การปฏิบัติการต่อไปก็คือว่าในฐานะที่เป็นบุคคลคนหนึ่งในราชสกุลสักยะได้ทรงรมพระองค์ให้เป็นประโยชน์ แก่พระประยุรญาติทางหลายด้วยการชี้แจงแสดงธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญหาข้อกัดข้องบางอย่างเกิดขึ้นในราชวงศ์ก็พยายามสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พระญาติและให้สิทธิพิเศษบางประการสำหรับพระญาติเพื่อช่วยให้พระญาติเหล่านั้นได้หลักในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นประนีตขึ้นจนถึงเข้าสู่ฝังแข็งประนิพพานในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดามีศาสนิกนับถือแบ่งออกเป็นพุทธบริษัท ส, สองฝ่ายคือฝ่ายคริสั์และปริชิตภารากิจที่จะต้องกระทำในฐานะของศาสดาผู้เอนดูต่อพุทธบริษัททั้งหลายนั้น ได้ทรงกระทําไว้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสมควรแก่โอกาสแก่บุคคลแก่กาลและฐานะนั้นๆก่อนที่จะประนิพานจึงได้รับสั่งแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนุ์ข้อใดอันศาสดาผู้เอนดูจะพึงกระทําต่อสาวกทั้งหลายตถาคตได้ทําถูกต้องสมบูรณ์แล้วตถาคตไม่มีกรรมมือของอาจารย์ คือไม่มีอะไรปกปิดสําหรับพุทธบริษัททั้งหลายข้อที่ควรชี้แจงให้กําหนดรู้ก็ได้แสดงไว้แล้วข้อที่ควรชี้แจงให้ละก็ได้แสดงไว้แล้วข้อที่ทรงชี้แจงผลอันพึงปรารถนาก็ได้บอกเปิดเผยไปแล้วปฏิปทาเครื่องดําเนินไปเพื่อสัมผัสผลเหล่านั้นก็ทรงแสดงไว้แล้วพระพุทธคุณบดว่าสุขแค่ตัวจึงมี การแสดงไปการเสด็จไปดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสามช่วงด้วยกันคือช่วงที่เป็นอดีตไกลามากข้ามภพข้ามชาติมาเป็ น, น, นเอเนกและช่วงที่ใกล้ๆคือในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและช่วงที่เป็นปัจจุบันคือในในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั้นแต่และช่วงเป็นการเสด็จไปดีของพระพุทธองค์ทั้งหมด การเสด็จไปดีตามนิยะแห่งพระ พ, พุทธคุณบทว่าสุกโตนั้นในชั้นของการน้อมนำมาประพฤติธปฏิบัติบุคคลจะเห็นได้ว่าธรรมะสโมโถธานคือคุณสมบัติแปดประการที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นบุคคลได้เช่นเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเข้าได้ถึงหลายข้อด้วยกันเช่นว่าการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ การเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตามเป็นฐานที่จะรองรับธรรมะความดีในทางศาสนาได้มีอุปนิสัยปัจจัยที่โน้มน้อมไปเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมะในทางศาสนาได้พบศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศตนยืนยันเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา ข้อที่พึงตระหนักและยึดเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็คือฉันทะตาสมบัติพยายามเสริมสร้างความพอใจความยินดีในธรรมให้สูงสูงยิ่งขึ้นไปเพราะว่าตราบใดที่ใจมีความยินดีในธรรมอ่อน ด, ดูความเสพคุณของอารมณ์ความเสพคุนของจิตใจที่เคยมีต่ออารมณ์อันเป็นกระแสะโลกทั้งหลาย อาจจะฉุดกระชากจิตเข้าไปสู่กระแสของอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายแต่เมื่อบุคคลปลูกฝังความพอใจในธรรมให้บังเกิดขึ้นแล้วความประโลภความยินดีในธรรมก็จะปรากฏภายในจิตความสงบความเยือกเย็นภายในจิตก็จะติดตามมาความเพียรพยายามเพื่อจะปฏิบัติความโอเจสยัย และการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะในเชิงเหตุเชิงผลของการประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นมาสนับสนุนและจะต้องมีอธิการะสมบัติคือมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมักจะเกิดขึ้นมากระซิบใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ยอมแพ้แพ้ต่ออารมณ์เหล่านั้นอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งบุคคลผู้ไม่เข้าใจไม่ได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาก็ปล่อยให้จิตไหวตามอารมณ์ดอกนั้นกว่าจะตั้งหลักได้หรือกว่าจะรู้ตัวบางทีก็สูญเสียเวลาไปเป็นอันมากค้อนนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่บุคคลจะต้องระมัดระวังก็คืออารมณ์ที่เป็นข่าศึก หรืออารมณ์ที่เป็นมารจะมาคอยกระซิบใจห้ามปรามใจตักเตือนใจในลักษณะของความเป็นมิตรแต่ถ้าจิตไว้ตามอารมณ์เหล่านั้นก็จะไม่สามารถดำรงมั่นอยู่ในกุศลทั้งหลายได้ส่วนบารมีธรรมทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญ น, นั้นก็เป็นปฏิปท า, าที่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ ในชั้นของฐานะบารมีนั้นแม้ว่าบางครั้งบางคราวไม่มีโอกาสที่จะสละสิ่งที่เป็นรูปวัตถุได้แต่ว่าการให้อภัยการไม่ถือโกรธการพร่ำสอนชี้แจงแนะนำบอกกล่าวกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการให้ที่เลิศกว่าการให้สิ่งที่เป็นวัตถุธรรมได้ทั้งไปในชั้นของการรักษาศีลถึงแม้ว่า อาจจะไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลพยายามเก็บพยายามสะสมความดีในส่วนศีลเอาไว้ความประนีตในอาการกายในอาการวาจาก็จะปังเกิดขึ้นมาโดยลาดับและในที่สุดศีลที่บุคคลรักษาก็จะสัมพันธ์กับอาการกริยาของบุคคลบางครั้งไม่แม้ไม่มีเจตนาวิรัตงดเว้นแต่อาการกายวาจาก็จะเป็นศีลไปได้ พระสีนก็แปลว่าปกติทางกายทางวาจานัานเองเมื่อบุคคลควบคุมอาการกายวาจาให้เป็นปกติได้ก็กลายเป็นสีนขึ้นในขณะนั้นๆโดยไม่จำเป็นจะต้องสมาทานด้วยซ้าไปในบางโอกาสส่วนเนคขมะคือการออกจากกามหรือการออกพวกคุลนันใหญ่นั้นดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าแม้ว่าไม่สามารถจะบวชเป็นเพศของนักบวชได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงจุดมุ่งหมายใหญ่ของพระพุทธศาสนานั้นคือการสามารถระงบับบรนทาเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้คนเราจะอยู่ในเพศอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีความพอใจในทันมีการกระทําที่ยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายตา่างๆก็สามารถที่จะถ่ายถอนตนให้หลุดพ้นจากอํานาจของอารมณ์ อำนาจของกิเลสและความทุกข์ในระดับต่างๆออกไปได้อย่างน้อยที่สุดการรู้เท่าทันถึงสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บุคคลไม่นำจิตเข้าไปครุ ก, กระเพื่การเหล่านั้นมากเกินไปความโปร่งเบาสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นส่วนปัญญาที่จะใช้เพ่งพินิษพิจารณาธรรมทั้งหลายนั้นมีได้ทั้งส่วนที่เป็นเหตุ เช่นการศึกษาการสดับมภาษณงการสอบถามการสนทนาการเพ่งพินิษพิจารณาธรรมะที่ได้ศึกษาสดับมภาษณงไปแล้วแต่ละอย่างเป็นทางให้เกิดปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในขั้นของการใช้งานนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามฝึกปลือทั้งในด้านสติและปัญญาเพราะมีอยู่ไม่น้อยแม้มีปัญญาอยู่กับตัว มีความรอบรู้ในเชิงเหตุเชิงผลว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหตุแห่งความดีอะไรเป็นเหตุแตหแ่งความชั่วอยู่แล้วแต่เนื่องจากสติเกิดขึ้นไม่ทันไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นได้เรื่องราวบางเรื่องบางสิ่งก็สายเกินไปที่จะแก้ไขการใช้ปัญญาจึงต้องอาศัยการปลูกฝังปัญญาให้เกิดขึ้น แล้วพยายามคิดพินิจพิจนารณาโดยเหตุโดยผลถือเอาปัญญาเป็นประทีปส่องทางชีวิตจะตัดสินอะไรลงไปจะทำอะไรลงไปคิดซ้ำคิดซ้อนหลายครั้งหลายผลมองเหตุมองผลให้ถ่องแท้แล้วจึงจัดจึงทาสิ่งล ง, ส, งสิ่งเหล่านั้นลงไปตามสมควรแก่กรณีปรามัธรรมเหล่าอื่นไม่ไม่ว่าจะเป็นขันติความอดทน เมตตาความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขอธิฐานะความตั้งใจมั่นก็ตางเป็นธรรมะที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของตนซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะปฏิบัติมากหรือจะปฏิบัติน้อยก็ชื่อว่าเป็นการเก็บการสะสมความดีเหล่านั้นเอาไว้และความดีที่เก็บที่สะสมเอาไว้นั่นเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นบา ร, รมีธรรมที่ช่วยเสริมส่ง พัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความสงบให้มีความประณีตโดยลําดับบารมีปรากฏอยู่ภายในจิตใ จ, จามากเท่าไร่ก็จะทําหน้าที่สลายความขุ่นข้นของกิเลสทั้งหลายซึ่งมีชื่อต่างๆออกไปเช่นว่าอาสวะคือเครื่องหมักดองเป็นต้นให้เจือจางลงไปเช่นว่าบุคคลมีธรรมทานบารมีสูงขึ้นก็จะทําหน้าที่สลายความขวงความสนีความละโมบ ในทรัพย์สมบัติให้เบาบางลงไปบุคคลสร้างศีลบารมีให้สูงขึ้น mm. ก็จะทาหน้าที่ขจัดความพยาบาทความไม่สารวมระวังหรือจิตใจที่ละโมบโลภมากในสิ่งทั้งหลาย mm. เป็นต้นให้เบาบางลงไป mm. เมื่อบุคคลบำเพ็ญเนคธะมบารมีสามารถดึงกายดึงจิตออกจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสมองต่างๆได้ ไอความรู้สึกในลักษณะนั้นก็จะเจือจางลงไปภายในจิตใจปัญญาบารมีที่บุคคลสร้างขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวก็กลายเป็นแสงสว่างที่จะขจัดความมืดบอดอันมีอยู่ภายในจิตใจให้เจือจางลงไปและสามารถที่จะใช้เหตุผลในการดํารงชีวิตได้เพราะฉะนั้นพระพุทธกูลบดว่าสุขโตในขั้นของการน้อมรำลึกจึงก่อให้เกิดความสงบได้เป็นอย่างดี ในขั้นของการนำมาพินิจพิจารณาก็จะเพิ่มปูนศรัทธาปสาทะให้สูงขึ้นภายในจิตในขั้นของการน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าทําตนให้สัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคยาั้าสมกับการที่ได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสรนังกัจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่ า, าพระเจ้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนาที่พึ้นที่ระลึกดังนี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป